50 languages. 73็ดสได้รับอนุญาตได้เยนันนาเดมาดาบหูดูคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ นี่นู้อ้าวั่งเล่การ น, นูโวดิสบะเดคุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกฮอได้แล้วหรือนนูอาวเลมาดยคูดิเอบหูเดคุณได้รับอนุญาตให้ไปตามประเทศคนเดียวได้หรือนนูอบบนอบบเลวิชปราสามาดลูอ า, าเลอนุตอด อ, อนุญาต ได้โบหุเราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะนวอิ ล, ลม า, ามาดบุเดตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะอิลลีดูมานามาดบุเดจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะเครดิตกา์มูลคหสดมาดุเด จ่ายเช็คได้ไหมคะเช็คมูลากาหันสันดายามาดะบหุเดจ่ายเงินสดเท่า น, นั้นหรือคะบารีนกดูมูลากาหณนสันดายะมาดะบหุเดขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะนานูวุมเมฟโฟนมาดะบหุเดขอถามอะไรได้ไหมคะ นานูวุ่นดูปัญหเนเคลบหดขอพูดอะไรได้ไหมคะนานูเยน็นนาดูเ ห, บหืบหเดเขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้อาหนูวุฒิยานวนนลีนิดเรมาดูวันติลเขานอนในรถไม่ได้อาหนูการินรุ่งเกรมาดวันติล เขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้เอาโนูเรลุนิลดานาดลีนิตรมแดูวันติลลาเราขอนั่งได้ไหมคะนาวูอิลลี่กุลิตุกอลาบะฮูเดเราขอรายการอาหารได้ไหมคะนาวูตินดิกลปัติเยนูปะเดยบะฮูเดเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ ನ ้าวูเบเรเบเรยากีฮันสಾนดายามาดะ